รายการชีวิตวัฒนธรรมโดยอาจารย์พนธรเธรร ม, มอินท์สร้างสรรค์และผลิต ร, รายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสต ร, ร, ร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม คุณผู้หังที่เคารพพบกับชีวิตวัฒนธรรมและดิฉันพนอท์ทำเนียมอินอีกเช่นเคยนะคะตื่นนอนกันหรื อ, อยังเอ่ยดีสีแล้วค่ะเอกเอกเอกสำหรับในหลายๆที่นะคะแต่ว่า แฟนแฟนราการบางท่านอาจจะกำลังเดินทางอยู่โดยเฉพาะเพื่อนเพื่อนชเฟอร์แท็กซี่หรือคนที่ขับรถบริการสาธารณะนะคะก็อาจจะกำลังทำหน้าที่รับส่งพวกเรานะคะให้เดินทางไปทํางานไปกลับบ้านไปทำธุระอะไรอะไรอะไรนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเดินทางนะคะแล้วก็ขอบา ร, รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือคุ้มครองให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยค่ะ อาจจะง่วงๆ่วงก็หาวิธีแก้ง่วงนะคะดื่มน้ำใช้พเย็นเช็ดดีที่สุดคือจอดพักเลยค่ะเพราะว่าการเดินทางในขณะที่เราง่วงๆวงแล้วเราต้องเป็นผู้ขี่ยุดยยานต่างๆนะคะมันก็ เสี่ยงภัยอันตรายแต่หลายๆคนที่กำลังกระปี้กระเป๋าสดชื่นนะคะก็ขอให้มีความสุขกับการเดินทางชีวิตวัฒนธรรมและดิฉันพนอดทมเนียมอินกลับมาพบกับท่านวันใหม่เวลาใหม่นะคะเสาร์ตี4ถึงตีหทาง FM 89.5 สสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีแห่งนี้มีความสุขกับเช้าวันเสาร์นี้นะคะและเรื่องราวต่างๆที่เป็นชีวิตวัฒนธรรมดิฉันก็จะนำมาบอกกล่าวเล่าเรื่องแล้วก็ชวนทุกๆท่านไปทาไปฟังด้วยกันค่ะเรื่องดีๆเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนคิดถึง ตอนสมัยที่เด็นเป็นเด็กอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยตื่นนอนขึ้นมาก็จะได้ยินเสียงวิทยุเป็นอันดับแรกในบ้านเพราะแต่ก่อนนู้นโทรทัศน์อย่าคิดโทรศัพท์มือถือไม่มีไฮเทคต่างๆยังไม่เกิดนะคะเพราะฉะนั้นชาวบ้านนอกก็จะเปิดวิทยุนี่แหละค่ะเป็นทั้ง สื่อที่ให้ความรู้นะคะสถานีวิทยุสมัยก่อนเราก็จะปิดปักหลักกันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวพอทอแล้วก็คลื่นอื่นๆของราชการบ้างนะคะจําได้เลยค่ะสมัยก่อนก็จะติดใจลุงดุยนะบางน้อยสมหญิงยิ่งยศก็จะเป็นแม่แบบของพวกเรามาตลอดนะคะจะจําคุณประพันธ์หิรัญยพฤกษ คนเก่งๆอาจารย์เฉลิมศรีหุ่นเจริญจากกรมประชาสัมพันธ์พวกนี้เราถือเป็นครูนะคะท่านก็จะจัดรายการต่างๆอะไรให้เราได้รับฟังกันข่าวคลาวที่เร็วที่สุดก็จะต้องวิทยุนี่แหละนะคะแต่เดี๋ยวนี้ปรึบเดียวไปหมดเลยนะคะเหมือนกับสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับคนไทยก็คือนิทานละคร เรื่องเล่าสมัยก่อนมีคำขันอกออกออกออ ก, ออกเด็กรุ่นนี้ไม่ทันนะคะแต่สักห้าสิบกว่าขึ้นไปเนี่ยจะทันคำขันในวิทยุนะคะนึกถึงเรื่องหนึ่งที่เป็นคนเจ้าพัญญาแล้วก็กลายมาเป็นสำนวนด้วยโอ้ยคนคนนี้เหมือนสีธนนชัยเลยแปบลบว่าเป็นคนฉเฉลียวฉลาดนะคะแต่ว่าฉลาดแกมโกง นึกถึงคำว่าสีถนนชัยดิฉันก็มีข่าวมาฝากคุณวูังเป็นข่าวแรกเลยนะคะว่าเมื่อวันศุกร์ที่7มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองค่ะก็มีพิธีสัมน า, าทางวิชาการเรื่องวรรณกรรมอาเซียนสีถนนชัยพระเอกเจ้าปัญญานะคะซึ่งจัดโดยกลมศิลปกรสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์เขาจัดงานนี้นะคะเมื่อวันศุกร์ที่7มิถุนายนตั้งแต่ แต่นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีณห้องประชุมใหญ่หอสมุดแห่งชาติโดยมีนายวีระโ ร, ระจนพจนรัตน์รัฐมนตรตีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพธิธีเปิดการสัมมนานะคะโอ้แค่ฟังชื่อแล้วเนี่ยหลายคนที่คิดถึงคุณศรีธนนชัยได้อ่านเช่าปัญญาไวพ้พลิบ หลายเรื่องเลยนะคะเราเอามาร้อเล่นกันอย่างดี่ฉันจาได้เลยว่าเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศตอนนี้เช้ามืดตีสี่ถึงตีห้าเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่จําแล้วก็สุดยอดของการเอาตัวรอดของคุณสีทนชนชัยคือก็ไปเข้าเฝ้าพระราชานั่นแหละค่ะแล้วพระองค์ก็ทรง ส, งสั่งว่าต้องให้มาก่อนไก่โห คุณสีธนนชัยของเราก็มาไม่ทันดังนั้นแต่วิธีแก้ปัญหาของคุณสีธนนชัยก็คือจับไก่ค่ะผูกเชือกแล้วให้ไก่มันเดินตามหลังตัวเองมาเพราะว่าผูกกับตัวเองไว้สีธนนชัยเดินหน้าไก่เดินตามหลังเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าเฝ้ากษัตริย์ก็จะบอกข้าพระพุทธเจ้ามาก่อนไก่โฮ้พระพุทธเจ้าค่ะ ไก่มันเดินตามหลังเพราะฉะนั้นเวลามันจะขันมันจะร้องมันจะอะไรมันก็ต้องตามหลังสีถนนชัยอา้าวลอดไปได้อีกเรื่องหนึ่งนี่คือน้าจิ้ม <c oughs> ท่านใดสนใจนะคะก็ไปหาอ่านเรื่องราวของสีถนนชัยกันได้ไม่ยากเลยนะคะอ่านแล้วมีความสุขเพียงแต่ว่าเราคงเอาอย่างไม่ได้เอาได้เอาได้แค่เยี่ยงนะคะเยี่ยงหมายความว่าทําตามเขาทุกเรื่องไม่ได้แต่ สิ่งที่น่าจะนำมาปรับใช้แล้วไม่เกิดโทษกับตนเองและผู้อื่นเนี่ยก็เอาเยี่ยงนั้นมาใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่อย่างคือเขาอาจจะทำไม่ถูกทุกเรื่องถ้าเราทำตามอย่างเขาเราก็อาจจะ ได้ผลที่ไม่ดีกับชีวิตตนเองและคนที่เกี่ยวข้องนะคะเอาล่ะค่ะนี่คือช่วงแรกของชีวิตวัฒนธรรมเช้ามืดวันเสาร์นี้คืนนี้อ๋อไม่ใช่คืนสิคะต้องบอกว่าเช้ามืดวันนี้คุณบิ๊กควบคุมเสียงนะคะแล้วก็หาเพลงเพราๆให้เราได้รับฟังกันขอเชิญท่านฟังเพลงแรกจากคุณบิ๊กค่ะ คืนนี้เธอจงนอนด้วยใจเป็นสุขขอจงลืมวันหวานผ่านมาอคืนนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องใดหรอกนะเพราะฉันยังคงอยู่ใกล้ชิดเธอคืนนี้ดาวลางเรือนเสียงนกละเบิอ เสียงเร่ไร่บันเลงเรียควาตัวฉันนั้นจะคอยดูแลป้องกันรินยุงไรเข้ามาใกล้เธอหลับตาสทิที่รักในวงแขนของฉันจะไม่มีผู้ใด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 But I'm still close to you. แขนของฉันจะไม่มีผู้ใดคิดทำร้ายเธอได้หลับตาสิทธทิรักขอเธอนอนหลับฝันเพื่อพรุ่งนี้ได้พบวันใหม่กับฉัน จะไม่มีผู้ใดที่ทำร้ายเธอได้หลับตาสทิที่รักขอเธอนอนหลับฝันเพื่อพรุ่งนี้ได้พบวันใหม่กับฉัน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 สาขาที่1ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ บ, บรุรีจังหวัดปทุมธานีและสาขาที่2วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ บ, บรุรีศูนย์รังสิตปากทางเข้าเมืองเอกสอบถามเพิ่มเติม0 2 5ย์ส9งห้าเก้านพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ บ, บุรี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 02-549-3043 หรือที่ www.lotus.rmutt.ac.th รายการชีวิตวัฒนธรรมสนับสนุนรายการโดย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 ขณะนี้ทุกท่านกำลังรับฟังชีวิตวัฒนธรรมทาง FM 89.5 สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีดิฉันพนอธรรมเนียมอินดำเนินรายการนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงตีหเลยค่ะฟ้าสางวันใหม่นะคะหลายคนได้หยุดแต่หลายคนก็ยังไปทำงานหลายคนไปท่องเที่ยวไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ขอให้มีความสุขนะคะแล้วดินก็มานึกถึงว่าช่วงนี้ เปิดเทอมเด้นเห็นเพื่อนที่ทำงานในโรงเรียนไกลๆธุรกันดาลเขาก็จะส่งคลิปการเดินทางไปสอนหนังสือบนภูเขาสูงบ้างบนพื้นที่ที่ห่างไกลถนนเป็นหลุมเป็นบ่อดินแดงขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยก็ต้องจอดไปดึงไปรั้งไปเพราะว่ามันเป็นโครนนะคะเลก็มา ได้อ่านหนังสือร้อยเรื่องเล่านะคะของกระทรวงศึกษาธิการเ อ, อมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่อยากจะอ่านให้คุณฟังได้เห็นคุณค่าของคําว่าครูการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการไม่ว่าจะระดับไหนได้จัดให้เพื่อชีวิตวัฒนธรรมเพื่อชีวิตที่จเจริญก้าวหน้าของทุกชุมชนใน บ้านเมืองเรานะคะเป็นบทที่เขียนได้ซึ้งใจมากเลยนะคะเขาพูดถึงสสชการศึกษาสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูงที่ขาดโอกาสทางการศึกษาค่ะสั่งเรื่องนี้นะคะเพื่อให้ชาวนี้มีกาลังใจด้วยกันนะคะในขณะที่หลายคนกำลังเหนื่อยหลายคนกาลังท้อมาฟังเรื่องนี้เป็นกาลังใจกันนะคะว่าในโลกใบนี้ยังมีสิ่งที่สวยงาม ยังมีเรื่องที่บวกบวกยังมีเรื่องที่เรามองแล้วยิ้มได้เรื่องนี้นะคะมีประโยคสำคัญที่เขาเขียนใต้ภาพของครูบนดอยกับเด็กๆชาวดอยคุณครูลงไปข้างล่างจะกลับมาอีกเมื่อไหร่คะสายตาอันบริสุทธิ์ครอด้วยน้ำตาที่บอกบ่งถึงความผูกพันระหว่างครูกับลูกศิษย์นี่คือสิ่งที่อ่านแล้วดิฉันก็ เหมือนจะมีก้อนแข็งๆจุกอยู่ที่ลำคอเหมือนกันนะคะอ่านให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะไม่เล่าเพราะว่าเชื่อว่างานเขียนชิ้นนี้เขาเรียบเรียงมาอย่างดีมากๆคุณผู้ฟังจะได้มีกำลังใจแล้วก็ส่งกำลังใจนี้ไปให้คนอื่นๆด้วยกันอย่าลืมส่งให้ตัวเองและคนใกล้ตัวด้วยนะคะเรื่องนี้เริ่มต้นว่าครูดีมในวงล็บ นางพัทรวดีรัตนเลิศปัญญาวัยสามสิบสามปีครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านกรูโบอำเภออุ้งผางจังหวัดตากที่อาสามาทำงานแทนครูเจี๊ยบหรือครูนริมนแก้วสำริตครูคุณากรรังวันครูเจ้าฟ้ามหาจักรีรุ่นที่สองที่เสียชีวิตไปด้วยโรคต่อมน้าเหลืองอักเสบครูดรีม มีประสบการณ์ทำงานกศอนอในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงมานานกว่าสิบปีเริ่มตั้งแต่สอส อ, สอชอบ้านตะโป้บู่สิบปีและบ้านตะขอบี้สองปีในอำเภอท่าสองยางก่อนที่จะอาสามาอยู่สอสอชอบ้านกรุโบอำเภออุ้มผางซึ่งเป็นชุมชนชาวเขาเผ่ากะเรี่ยง ซึ่งมีชื่อย่อยว่ากเกะเลียงโปฤสีในเขตทุ่งใหญ่นาเรศวรห่างจากตัวอำเภออุ้งผางประมาณร้อยสิบกิโเมตรใช้ระยะเวลาเดินทางร่วมหกชั่วโมงในฤดูแรงแต่หน้าฝนต้องเดินทางเป็นวันๆสอบถามคุณครูดรีมว่าทำไมมาทำงานเป็นครูอาสาสมัครสอส ช, อชอได้รับคำตอบว่าจบมัธยมศึกษาตอนปลายและสมัครมาเป็นครูกศนอ ตามโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอันนี้คือข้อความในหนังสือขณะนั้นนะคะมาเป็นผู้ช่วยครูสอสอชอีกทีหนึ่งในวุฒิม .6 และได้รับพระราชทานทุนการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ร, ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงระดับปริญญาตรีพร้อมกับทำงานสอนหนังสือไปด้วยครูดริม เล่าอย่างมีความภาคภูมิใจในชีวิตความเป็นครูกศนอว่าเริ่มต้นไม่รู้ว่าครูกศนว่าทำงานอย่างไรสอนหนังสือเด็กต้องทําอย่างไรแต่คิดอย่างเดียวว่าอยากทํางานให้ได้เงินมาใช้จ่ายในครอบครัวเมื่อสอบการเลือกมาเป็นครูสสอชอวุฒิมหกได้แล้วได้รับการแนะนําการทํางานและเข้าการอบรมจากครูนิเทศในครูหมู่บ้านหลัก สสชเพื่อฝึกในการทํางานการจัดกิจกรรมการเตรียมการสอนการทําสื่อการทํางานกับชุมชนและการบริหารจัดการศูนย์การเรียนจึงรู้ว่างานการศึกษาบนพื้นที่สูงสสชของกศนมีครูอาสาสมัครหลักหนึ่งคนและผู้ช่วยครูอีกหนึ่งคนมีภารกิจที่ต้องทําเยอะแยะทั้งการสอนเด็กสอนผู้ใหญ่ และกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับชุมชนแต่ก็ภูมิใจและมั่นใจว่าจะสามารถเป็นครูในชุมชนที่ได้รับมอบหมายได้และเมื่อเข้ามาทํางานได้ศึกษาเรียนรู้ทั้งจากการเข้ารับการอบรมสัมมนาประชุมและเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาเองจากหนังสือจากอินเทอร์เน็ตก็ทําให้รู้ว่างานการศึกษาบนพื้นที่สูง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงนี้มีพัฒนาการมาอย่างยาวนานเริ่มตั้งแต่การส่งเสริมให้คนไทยได้รู้หนังสือสามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ที่พัฒนาสื่อการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบเสร็จขั้นพื้นฐานสำหรับชาวไทยภูเขาเมื่อปีพุทธศัการาช2519ในรูปแบบครูอาสาสมัครเดินสอนแต่เมื่อพบชุมชนบนพื้นที่สูงจานวนมาก ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ต่ำชุมชนมีปัญหาซับซ้อนหลากหลายจึงทดลองในรูปแบบประจำที่ทำลักษณะศูนย์การเรียนศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขาใช้ชื่อย่วสอว่าสสชโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเ o r l d e เอ c a t เ o ชระยะ5ปีพุทธศักราช2521ถึง2525 จากนั้นก็เข้าสู่งบประมาณปกติของรัฐบาลงานสอสอชอมีลักษณะหลักการและวิธีการจัดการโดยให้ชุมชนที่ไม่มีการจัดการศึกษาจากหน่วยงานอื่นได้รับการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ชุมชนโดยยึดชุมชนเป็นหลักใช้สภาพชุมชนที่มีปัญหาเป็นประเด็นในการเรียนรู้บูรณาการกับการเรียนภาษาไทยคณิตศาสตร์และวิชาอื่น ตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับแต่ปรับมาเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนเป็นการจัดการศึกษาให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ให้มีความรู้พื้นฐานทักษะการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพและการอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างสมดุลกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรูปแบบการจัดการศึกษาสอชนี้ได้รับรางวัลระดับโลกถึงสารางวัล ในปี2527ได้รับรางวัลที่หนึ่งประเภทสื่อโสตทัศนูปกรณ์เรื่องอาสมและรางวัลที่สามประเภทเอกสารสิ่งพิมพ์ส่งเสริมการอ่านและปี2537ได้รับรางวัลชมเชยโนมาไพรซ์จากยูเนสโกประเภทโครงการที่มีแนวคิดหลักการที่ดี หลังจากนั้นคอรมอรก็มีมติเมื่อวันที่21กรกฎาคม2539เรื่องนโยบายการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงของกอศนให้ศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขาหรือสสชจัดการศึกษาชุมชนมีกิจกรรมการเรียนรู้3กลุ่มกิจกรรมในชุมชนคือการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยมีครูอาสาสมัครสอสชอรับผิดชอบในการจัดการศึกษาชุมชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่และในปีเดียวกันคือ 2,539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานชื่อศูนย์การเรียนรู้การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขาใหม่ว่าศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติให้สมเด็จย่า ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณสนับสนุนการทำงานของสสชมาโดยตลอดทั้งการเรียนการสอนสื่อกิจกรรมเสริมการพัฒนาครูและสวัสดิการนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสาหรับชาวกศออนอและประชาชนที่ด้อยโอกาสการจัดการศึกษานอกระบบกิจกรรมศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงหรือสสช เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะเฉพาะในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานก็เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธ์สามารถฟังพูดภาษาไทยอ่านออกเขียนได้และได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเริ่มตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนถึงการศึกษาประถมศึกษาในพื้นที่ที่ไม่มีหน่วยงานเข้าไปจัดการศึกษาให้ประชาชนแต่ที่เป็นการจัดกิจกรรมลักษณะเฉพาะ ก็เพราะครูได้เอาสภาพบริบทและปัญหาชุมชนเป็นตัวตั้งกระตุ้นให้ชุมชนคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้วยตนเองและนําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมาบูรณาการเนื้อหาวิธีเรียนเป็นการเรียนตามสภาพของตนเองแต่ได้สมรรถนะพื้นฐานความรู้ตามกรอบการศึกษาชาติในทุกระดับ ส่นการศึกษาต่อเนื่องที่เน้นการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาสภาพและวิถีตนเองรวมกลุ่มการแก้ไขปัญหาตนเองเรียนรู้และเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยกันอย่างต่อเนื่องและมีการสริมสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในชุมชนผู้เรียนระดับก่อนวัยเรียนในบ้านกลุ่มมีจานวน11คนวัยเรียนระดับประถมศึกษา46คนผู้ใหญ่ เรียนพื้นฐาน8คนและการศึกษาต่อเนื่อง6กลุ่มกิจกรรมสมาชิกทั้งชุมชนถ้ารวมทุกสสชในประเทศไทยจำนวน758สสชก็ร่วม 20,000 คนจะถือว่าผู้เรียนเหล่านี้เป็นผู้ขาดโอกาสทางการศึกษานั้นหรือเป็นเพราะรัฐจัด ก, การศึกษาไม่ทั่วถึงจะกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งคงไม่ถูกต้องนัก เพราะส่วนหนึ่งไม่มีหน่วยงานการจัดการศึกษาให้แต่อีกส่วนหนึ่งการศึกษาและการเรียนรู้ตามที่ชุมชนต้องการหรือมีความจำเป็นภารกิจของออกศนก็ต้องออกแบบการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมถึงแม้ประชาชนจะอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลก็ตาม แต่ที่แน่ๆคือชุมชนที่ตั้งสสชอของสำนัก ง, งานกศนอมีครูอาสาสมัครกศนอเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและกระตุ้นให้ชุมชนมีการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในชุมชนให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพานตนเองได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดความมั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืน ขอขอบคุณครูดีมและครูอาสาสมัครสศสชทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และประเทศชาติคุณผู้ฟังที่กรบคาเรียนอ่านบทความนี้นะคะจากหนังสือร้อยเรื่องเล่าเรา MOE นะคะเรื่องสศสชการศึกษาสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูงที่ขาดโอกาสทางการศึกษา หลายท่านคงดูข่าวคราวแบบนี้ในโทรทัศน์หลายท่านอาจจะเห็นคลิปวิดีโอต่างๆอย่างเช่นตัวดิฉันเองเนี่ยก็จะมีเพื่อนที่สอนอยู่ส่วนที่สูงสุดแล้วก็กันดานของจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านก็สอนตั้งแต่เรียนจบจอมบึงเหมือนกันเลยนะคะตอนนั้นท่านชื่อปฐมม่วงงามแต่ตอนนี้ท่านชื่อครูศิลาม่วงงามก็กาลังจัดเกษียณอายุราชการปีนี้ ไปเป็นหนุ่มบนดอยก็ทำทุกอย่างเพื่อชาวดอยและเด็กๆทำทั้งเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตแม้กระทั่งจะเป็นสปะเือทำทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรามาเจอเขาเมื่อสามสิบกว่าปีผ่านไปเมื่อปีที่แล้วเขาได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเซมาธรรมจักในช่วงวันวิสาขาบูชา ก็คงจะเป็นอีกคนหนึ่งนะคะเหมือนครูดีมเหมือนครูคนอื่นๆและเหมือนครูดวงใจคงหอของเราเชาวกศอ น, อนในวันนี้เขาเป็นครูที่อยู่บนดอยนะคะแล้วก็เสียสละทุ่มเทปฏิทินการหยุดของเขาไม่เหมือนข้าราชการทั่วไปเขาเรียกว่าปฏิทินดอยคือขึ้นไปแล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่าสวาวอาทิตย์ลงนะคะก็จะมีช่วงกาหนดเป็นพิเศษ แต่ทั้งหมดที่ทีฉันอ่านและร้อยเรื่องเล่านำมาบอกกล่าวเพื่อนๆที่เป็นครูหรือเป็นผู้ปกครองหรือใครๆก็ตามที่มีโอกาสรับฟังรายการช่วงนี้ชีวิตวัฒนธรรมนี่คือสิ่งที่เรายังมีคนที่มุ่งมั่นตามรอยเบื้องพระยุคคนบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกๆพระองค์ที่ทรงมีพระเมตตา และส่งพระราชทานสิ่งดีงามให้กับคนไทยมาโดยตลอดที่ใดที่มีความทุกข์ก ท, กทุกทุกพระองค์ทรงบำบัดทุกทรงบำรุงสุขพวกเราที่อยู่สุขสบายก็ภายใต้พระบารมีภายใต้พระมหาการุณาธิคุณเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเหนื่อยเราชวนกันลุกขึ้นจับมือ น, นะคะที่อ่านเรื่องนี้ให้ฟังเพื่อให้ทุกคนมีกำลังใจว่า คนเหล่านี้เลือกได้ค่ะที่จะอยู่ในที่สะดวกสบายมีความสุขอยู่กับครอบครัวแต่เขาเสียสละไม่แพ้ทาหารหารไม่แพ้ตำรวจตระเวนชายแดนที่ขึ้นไปเสี่ยงภัยขึ้นไปใช้ชีวิตที่ธุรกันดารจุบันดอยเราซึ่งน้ำใจและปรบมือให้พวกเขานะคะอาราคา พักฟังเพลงที่สองจากคุณบิ๊กนะคะเดี๋ยวมีเรื่องสบายบายใจมาเล่าให้ฟังก่อนฟ้าจะสางค่ะ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 ทั้งโปรเจคเตอร์จอทีวีขนาดใหญ่และ w i ไฟความเร็วสูงสอบถามและสำรองพื้นที่การใช้งานโทร0923189887หรือที่แฟนเพจ RMU TT Innovation and OLED Center ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ชั้น7ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั้นสถานพยาบาลการแพทย์ผันไทยประยุกต์ศูนย์รังสิ์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 ก็รบค่ะขณะนี้ทุกท่านกำลังรับฟังรายการชีวิตวัฒนธรรมดิฉันพรธรรมเนียมอินดำเนินรายการนะคะเราอยู่เป็นเพื่อนกันเช้ามืดวันเสาร์ตีสี่ถึงตีห้าทางเอ8เอ็มแปสิเก้าจุดห้าแห่งนี้ค่ะนำเรื่องราวที่เป็นสิ่งดีๆคู่วิถีชีวิตไทยๆของเราและกระบวนการต่างๆที่ไม่ว่าจะในเมืองไทยหรือใครๆเขาทำเพื่อให้ชีวิตเรามีการพัฒนา ได้หนะ้าแต่ไม่ลืมหลังนะคะก็นำมาบอกต่อกันค่ะหลายคนนะคะก็บอกว่าโอ้ช่วงนี้ฝนตกหนักมากได้ดูคลิปที่มีคนเขาแชร์กันในโลกโซเชียลว่าที่เมืองทองธา น, นีโอ้โหเจอพายุกระหน่าชนิดที่กระจกแตกนะคะโอ้พายุน่ากลัวมากๆถ้าใครอยู่ตรงนั้นก็คงตกใจมิใช่น้อยแถวบ้านทนี่ชนิดกลางคืนฝนตกหนักมากหนักชนิดที่แบบ โอ้โหถ้าเป็นหลังคามงจากเหมือนสมัยที่ดฉันเป็นเด็กบ้านทอกนี่มันคงทะลุลงมาแน่ๆเลยนะคะลงเสียงกระเบื้องทีหนึ่งก็น่ากลัวมากๆแต่ฟ้าใสาๆในช่วงเช้าและสายถ้าใครมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวก็ไปเติมสีสันให้กับชีวิตไปทำกำไรให้กับชีวิตตนเองด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเหนื่อยมากๆนะคะ สิ่งที่เป็นชีวิตวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้ชีวิตเรามีความสุขได้หลายแบบบางคนอาจจะไปฟังดนตรีนะคะบางคนอาจจะไปเดินซื้ออาหารการกินตามตลาดต่างๆซึ่งตอนนี้เขาพยายามที่จะตึงบรรยากาศเก่าๆมาให้เราได้สัมผัส บางที่นี่ก็ยกเข้ามาอยู่ในห้างสรรพสินค้าเลยนะคะโอ้โหมีอาหารการกินชนิดที่บางทีคุยกับสมาชิกที่ไปด้วยว่าเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนี่แหละเกิดมาเพิ่งเคยกินนี่แหละโอ้เกิดมาเพิ่งอร่อยนี่แหละสารพัดที่เราจะพูดกันได้นะคะนี่คือวิธีทยๆของเราค่ะคุณฝั่งที่เคารพเรามีสมบัติอล้ำค่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนรรมทรเนียมประเพณีวัฒนธรรม ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อาหารการกินที่พรั่งพร้อมถึงแม้ว่าวันนี้จะมีผลกระทบมากมายจนทำให้เราเนี่ยต้องสร้างจิตสำนึกประชาสัมพันธ์เชิญชวนการให้รุกขึ้นมารับผิดชอบตอนนี้นี่เดียนก็ได้ข่าวว่าหลอดที่เราเอามาดูดน้ำดื่มกาแฟอะไรกันที่เป็นพลาสติกเนี่ยอย่าทิ้งนะคะตอนนี้ถ้าท่านมีโอกาสช่วยเก็บเก็บเก็บเอาไว้หน่อยเออดียนกลังได้ข่าว มาเชิญชวนว่าเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดให้ว่าเขามีการเอาไปทำที่รองนอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียงนะคะจะใช้ได้จริงจงแค่ไหนเดี๋ยวดิฉันได้ความชัดเจนแล้วจะนำมาชวนต่ออย่างเป็นรูปธรรมแต่ว่าสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็ขอบคุณนะคะห้างสรรพสินค้าร้านค้าหลายๆที่ที่เขามีวันไม่จ่ายถุงสติก <c oughs> หมายความว่าท่านจะไปซื้อของเนี่ยถ้าพกถุงผ้าไปด้วยก็จะดีทำให้มานึกถึงตอนเดียนเด็กๆนะคะเออสมัยก่อนถุงผ้าสวยๆเนี่ยไม่มีหรอกค่ะมีถุงกระดาษถุงก๊อบแก๊บถุงผ้าสิิกแบบนี้ก็ไม่มีนะคะเวลาที่จะใส่ของไปโรงเรียนทีหนึ่งก็ต้องหาถุงเก่าๆคุณผู้ฟังทราบไหมเออแถวบ้านสวนดืนเนี่ยเขาจะมีถุงพยอมพยอมนี่คือ ไม้ต้นไม้ชนิดหนึ่งคือต้นพยอมที่เราเรียกดอกพย้อมหอมกลุ่นแก่นของพย้อมเนี่ยเขาเอามาเฉาะแล้วก็เป็นเศษไม้เล็กๆเอาไปใส่ก้นกระบอกที่จะเอาไปรองน้ําตาลตามต้นมะพร้าวจะช่วยให้น้ําตาลเนี่ยไม่บูดนะคะเ อ, อถุงที่เขาใส่พย้อมมาคุณผู้ฟังนึกถึงถุงปุ๋ยถุงใส่ดินใส่อะไรมาถุงข้าวก็ได้แบบนั้นนะคะมันก็จะเป็นถุงนานานหน่อย เราบางคนไม่มีถุงสวยๆไปโรงเรียนไม่มีกระเป๋าสวยๆก็ถุงพยอมนี่แหละเอามาล้างตากแดดให้สะอาดแล้วใส่หนังสือแบกใส่บ่าบไปโรงเรียนกันคุณวังคะถ้าตอนนี้จะชวนคุณฝางไปใช้แบบนั้นเดี๋ยวจะบอกว่าคุณพนอยหยาบคายไปหน่อยหรือเปล่าคุณฝังลองนึกถึงว่าตอนนั้นน่ะเราเริ่มสาวๆกันคุณครูที่สอนค า, า ก, กรรมก็จะชวนให้พวกเราเนี่ยเย็บถุงผ้าจากเศษผ้าค่ะ ก็เศษผ้าเนี่ยมันจะมีตั้งแต่เศษผ้าตามร้านตัดเย็บเสื้อผ้าซึ่งเมื่อก่อนมีเยอะเขาไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ไปขอเขามาเลยนะคะขอแล้วก็ทําพิมพ์สี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่ท่านสะดวกแล้วก็เย็บต่อต่อตอ ต, อต่อกันจะด้วยจักจะด้วยมือแล้วก็ให้มันหนาหนาหน่อยก็จะได้ถุงผ้าสวยๆอวดกันกับประเภทชอบควักโครเชตค่ะ ถักโคเชรหรือควักโคเชเนี่ยนะคะก็จะมีไหมไหมในื้อร่อนไหมอะไรต่างๆที่มันแข็งแรงเอามาถักลายสวยๆ ส, สีสวยๆสะพายอวดกันตอนนี้มีสำเร็จรูปขายเยอะเลยทั้งถุงผ้าถุงพลาสติกอย่างดีนู่นนี่นั่น เราหันกลับมามองของพวกนี้กันดีไหมคะเวลาไปไหนพกไปด้วยเหมือนกับที่โรงพยาบาลเขาก็จะประกาศไม่ให้มีถุงพลาสติกใส่ ย, ยามาให้เราจะไปโรงพยาบาลก็ต้องพกถุงไปใส่ ย, ยาด้วยเราทำได้นะคะแล้วตอนนี้ก็เห็นมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ชีวิตวัฒนธรรมอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับขยะก็โดยการเนี่ยที่ทางานดิฉันก็จะเห็นมีถังขยะสามสีมาวาง กันอีกครั้งหนึ่งให้ชัดเจนว่าขยะแบบนี้แบบนี้แบบนี้แยกขยะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ใช้แก้วที่มันใช้แล้วล้างใช้แล้วล้างไม่ใช่ใช้แก้วพลาสติกแล้วก็มีหลอดเหล็กด้วยนะคะเด็กก็ถามเพื่อนที่ใช้บอกว่าแล้วหลอดพวกนี้มันล้างยากไหมเขาก็บอกว่าอ๋อมันมีแปลงเล็กๆมาให้เราสาหรับล้างได้ไม่ต้องกลัวเชือ้อรา เพราะฉะนั้นคุณฝ่งคะตอนนี้เรามาหาชีวิตวัฒนธรรมกับตัวเราเองกันนะคะมีความสุขกับชีวิตที่สะดวกสบายแต่ว่าช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยกันประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นบางคนเนี่ยฉันเห็นว่าเดินผ่านโรงอาหารปั๊บกำลังจะขึ้นตึกไปทำงานแต่แวะโรงอาหารไม่นั่งกินคะ่ะซื้ออาหารใส่โฟมมองแล้วอยากวิ่งเข้าไปก่อนแล้วบอกน้องจา๋าพี่ ที่จุดๆไม่กล้าพูดมากกว่านี้ <c oughs> ก็คงจะต้องมาชวนกันทางรายการนี่แหละนะคะว่าถ้าไม่อยากนั่งกินเพราะว่าโอรงอาหารมันนั่นนี่นู่นมีภาชนะที่ไม่ต้องใช้ฝมได้ไมั้ยคะอันนี้เว้นให้ตอบ <c oughs> ของขวัญวันเกิดของขวัญปีใหม่ของขวัญวาระน่นนี่นั่น เดียนชอบชวนให้คนซื้อหนังสือให้กันเพราะว่าหนังสือคือของขวัญอันล้ำค่าเพิ่มพูนสติปัญญาแล้วก็มีเพื่อนมีองค์ความรู้ให้ต่างๆมากมายตอนนี้ซื้อของขวัญที่เป็นกล่องข้าวแก้วน้ำสวยๆให้กันเอาไหมคะเวลาที่ไม่อยากจะไปนั่งรับประทานที่ร้านจะได้พกไปด้วยแต่หลายๆคนจะบอกคุณพนอฝันไปหรือเปล่าฉันก็ต้องพกลงกล่องข้าวไปกล่องข้าวมาละสิตอนเด็กๆเกนี่ยเราพกกันนะคะ ตั้งแต่กล่องข้าวเหล็กนะแหมหนีเปาะแปะเปาะแปะกล่องข้าวพลาสติกสวยๆเนาะแต่ถ้าไม่มีตังซื้อเนี่ยสมัยเด็กๆอ่ะดิฉันห่อใบตองนะคะกับข้าวก็ต้องเป็นกับข้าวแห้งๆค่ะอันนี้เรื่องจริงเล่าให้ฟังอย่างมีความสุขเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็เริ่มที่จะหาใบตองมาห่ออาหารอยู่ก็พอตกเย็นๆเนี่ยนะคะตาก็จะไปตัดยอดตองสวยๆเอามาเช็ดทําความสะอาดผึ่งไว้เพื่อไม่ให้มันกรอบพอเช้า ก็จะเอาข้าวเตรียมให้เรากินมื้อเช้าเสร็จก็เอาข้าวใส่หอ่อกับข้าวแห้งๆค่ะกุ้งหอยปูปลาในครองและแห้งๆไม่มีน้ํานะคะเดี๋ยวหกแล้วบูดแลอเถอะก็กับข้าวแห้งๆโแบยบปปลาเค็มเนื้อเค็มกุ้งเค็มหรืออะไรก็แล้วแต่หอ่อใบตองค่ะแล้วก็จะมีถุงถุงที่ใส่หอ่อใบตองเนี่ยไปอีกแต่ถุงนั้นน่ะเราจะกลับเอามาใช้จนกว่ามันจะใช้ไม่ได้นะคะ นี่แหละค่ะมันมีอะไรอีกหลายๆอย่างนะคะที่เราร่วมกันทำได้รู้สึกว่าชีวิตวัฒนธรรมชาวนี้จะชวนคุณวังคันกลับไปหาของเก่าเยอะสักนิดหนึ่งก็กับข้าวแบบไทยไทยราวะคุณหวังคิดดูสิคะตอนนี้เดินไปทางไหนก็เห็นไก่ทอดหมูปิ้งอะไรอะไรอะไรมันก็ไม่ได้ยากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกับข้าวเนี่ยเราก็ทาเองได้ไม่ยากเหมือนกันนะคะ ตอนนี้เดนก็เห็นผู้คนใส่ใจเรื่องอาหารการกินเยอะๆก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะชีวิตวัฒนธรรมคือชีวิตที่เราจะมีความสุขจเจริญเติบโตพัฒนาก้าหน้าไปด้วยกันตามโลกสมัยไหนก็ได้แต่ว่าสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมของเราเป็นบทเรียนเป็นครู เป็นมรดกเป็นสมบตัติเป็นอะไรก็ได้ที่เราสามารถหยิบขึ้นมาหลอมรวมแล้วก็ปรับใช้ในชีวิตแต่ละวันเราได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องอ่านการกินหลายคนก็ใส่ใจกับสุขภาพแล้วก็มีคำถามให้ดิฉันต้องมานั่งคบคิดอยู่เยอะเลยเราโดนหลอกจริงหรือเปล่าว่า น้ำมันหมูกับน้ำมันพืชเออกินอะไรกันดีนะคะ <c oughs> คุณวางตอบหน่อยสิคะเพราะว่าดูเหมือนจะมีกระแสโต้กันไปโต้กันมาเป็นระยะระยะนะคะก็เอาเป็นว่าถ้ามองชีวิตวัฒนธรรมเรื่องอาหารการเิียโอ้โหเราจะมีประเด็นให้ถกเถียงกันเยอะถกเทียงในที่นี้คือคุยกันอย่างมีความสุข พอมาตอนนี้โอ้ดิฉันได้ข่าวหมัดหมเลยวันสองวันนี้เขาประกาศว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ใช้เสื้อผ้าแล้วก็เอาไปทิ้งเป็นขยะเยอะสุดโอ้ยจริงหรือเปล่ามาปลักปล้ำเราไหมเพราะว่าเสื้อผ้าบางตัวดิฉันใช้จนขาดเย็บไม่ได้เลยเพราะมันเปื่อยแต่มันเป็นเสื้อตัวโปรดอ่ะไม่อยากทิ้งอ่ะไม่อยากทิ้ง นะคะเดนก็ยังแอบค้านเข้าไปเรื่อยๆนะว่ามันจริงเหรอนะสำหรับบางคนแต่เวลาที่เราเดินไปที่เสื้อผ้ามือสองกองขายอ่ะคุณผู้ังคะจุดจุดจุดคิดเองแต่จะมีกลิ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อลอยฟุ้งมาเลยเนาะความประหยัดการประหยัดสองคำนี้ไม่เหมือนกันนะคะ การประหยัดนี่เป็นคำกริยาถ้าความประหยัดนี่เป็นคำวิเศษการขยายนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้อยากให้คุณผู้ฟังอย่ามองข้ามนะคะบางคนบอกโอเนี่ยกว่าจะถึงสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจเดฉันต้องแบ่งเงินใส่ซองไว้ตุ๊ดตุ้ตุ ด, ตดวางแผนกันตั้งแต่ต้นจำกันได้นะคะว่าชีวิตที่พอเพียงอะ่ะไม่ได้แปลว่ามีตังก็ไม่กินมีตังก็ไม่ใช้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ส่งสอนไว้ถ้าเรามีตังเราก็สามารถใช้ตังนั้นจ่ายได้ค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเรามีน้อยเราก็จะไปจ่ายเยอะเท่านั้นเองนะคะนั่นแหละเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงนะคะแล้วก็ตอนนี้ฝนฉ่ำซื้อกระเพาโหระพามาจากตลาดแล้วอย่าเด็ดโยนทิ้งโครมถ้าที่บ้านพอจะมีขวดพลาสติกใส่ดินมีกระหงต้นไม้ เอากิ่งมันไปปากสิคะเดี๋ยวมันก็ขึ้นเป็นใบใหม่ๆแตกยอดใหม่ๆ ใ, ให้เราเก็บกินได้โดยเฉพาะเจ้าผักชีฝรั่งเอ้ยขึ้นช่ายเอ้ยอันเนี้ยจิ้มจิ้มลงใบแม้กระทั่งรากผักบุ้งจีนคุณลองจิ้มจิ้มดูนะคะมันจะขึ้นให้คุณเก็บกินได้ในโอกาสต่อไปอ้าววันนี้ที่ฉันชวนคุณวงังคุยไปหลากหลายเรื่องราวเลยนะคะก็มาเหลือบดูนาฬิกาอ้าวหมดเวลาแล้วค่ะคุณบิ๊กก็ส่ง อิ้มส่งหวานมาให้ชีวิตวัฒนธรรมเช้ามืดวันนี้นะคะเสียงไก่เออะเอ๊ะมาแล้วนกมันก็เริ่มจิบจิบพร้อมกับเสียงคึกคักของเกินจราจรรอบๆตัวเราก็คงจะต้องล้มลากันแล้วนะคะสาวหน้ามาพบกันใหม่ค่ะชีวิตวัฒนธรรมตีสี่ถึงตีห้าดิฉันพนรธรรมเนียมอินดำเนินรายการนะคะเช้ามืดวันนี้ คุณบิ๊กควบคุมเสียงและหเพลงเพราะๆให้เราได้รับฟังกันดกรกุลกนิษฐ์ทองเงาควบคุมรายการเราสามคนลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอให้เช้าวันนี้เป็นเช้าที่ดีๆและมีความสุขแ ด, ดท่ทุกๆท่านเหมือนเช่นเคยสวัสดีค่ะ